อาาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ 1. ภิกษุที่มีน้ําอสุจิเคลื่อนเพราะความฝัน 2. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะทําน้ําอสุจิให้เคลื่อน 3. ภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่านห้าภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา 6. ภิกษุต้นบัญญัติ